ท่านนองไหลได้พากันสมาทานศีลสมาทานประกรรมฐานแล้วต่อไปก็ามันดาท่านพุทธบริษัทธน์ไหลจงตั้งใจสนับเรื่องราวขาอาสุ ป, ปรกรรมฐานต่อไป <c oughs> สำหรับการเจริญสุ ป, ปรกรรมฐานนี้องค์สมเด็จพระมหาหมุนีมีความประสงค์ จะให้บรรดาท่านพุทธบริษัททันหลายเรื่องราคะจริตคือว่าจิตที่ติดอยู่ในความสวยสดงดงามหรือว่าความสวยสดงดงามในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นสาระแกนสารก็คือว่าไม่มีอะไรจะ ง, งามจริงนั่นเองเดิก่อนที่จะอธิบายก็จะขอนําบุคคลตัวอย่าง ที่ประสบมากับเรื่องราคาจริตในสมัยเมื่อองค์สมเด็จพระธรรมสามมิสมาสมพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ในสมัยนั้นองค์สมเด็จพระบร ม, มครูได้ทรงสั่งสอนบรรดาท่านพุทธบริษัทและทรงสแสดงวัธรรมเทศนาให้บรรลุมรคผลมากมาย แต่ว่าคนสมัยนั้นกับคนสมัยนี้ก็คล้ายคลึงกัน <c oughs> มีอารมณ์เสมอกันกล่าวคือมีจริตถกประการเหมือนกันหมดย่อมมีความรู้สึกคล้ายคลึงกันรู้จักรักรู้จักเกลียดรู้จักโลภรู้จักโกรธรู้จักหลงรู้จักทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่รมพุ้งส่านก็รู้จัก ฉะนั่งขอท่านหลายที่รับฟังฟังแล้วก็จงไข้ครนตามอย่าฟังปล่อยไปเฉยๆการศึกษาในสถานที่นี้ไม่น่าจะมีอะไรเป็นที่สงสัยรักษากำลังใจของเราให้มั่นคงเป็นสำคัญแต่หากว่าจิตใจของท่านยังไขว้เขวอยู่ไม่ทรงกำลังจิตให้มั่นคง พระพุทธะสองข้อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่มีความหมายฟังเรื่องราวนี้ต่อไปในสมัยนั้นยังมีหญิงคนหนึ่งมีนามว่านางสิธิมาคำว่าสิธิมาถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็แปลว่าเป็นผู้มีมืองขวัญหรือว่าเป็นที่ชอบใจขมันดาคนทั้งหลาย นางศิริมานิมีอาชีพอย่างหนึ่งคือเป็หญิงโสเพณีตามภาษาบาีตั้งกล่าวว่านครโสเพณีแปลว่าหญิงงามเมืองหรือว่าหญิงที่ทําเมืองให้งามเป็นหญิงขายตัวประเภทศักดิ you know, ์สิทธิ์สูงโดยที่เรียกกันว่าเป็นคนชั้นสูงของโสเพณี เป็นที่สำหรับรับแขกเมืองเมื่อใครต้องการจะอยู่ร่วมกับนางหนึ่งคืนสมัยนั้นต้องเสียค่าตัวให้แก่ น, นางหนึ่งพันกะหาพณนะหนึ <c oughs> 1, ่งพันกะหาพันะก็เท่ากับสี่พันบาทได้ ว, ว่าสี่พันบาทสมัยนั้นกับสมัยนี้เห็นจะเทียบกันยาก ก็สมัยนั้นทองคําบาทหนึ่งมีค่าประมาณสิบหกบาทเดี๋ยวนี้ทองคําบาทหนึ่งมีมูลค่าสองพันบาทเศษเทียบเป็นราคาเงินกันแล้วมากกว่ากันมากสำหรับนางสิริมานีเป็นคนสวยมากเป็นที่ชอบใจขุนดาประพลทั้งหลาย แล้วก็ในสมัยนั้นเองก็มีพระมีกุลบุตรท่านหนึ่งเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเห็นเขาเป็นพระอรหันต์กันก็อยากจะเป็นพระอรหันต์บ้างแต่ได้ ว, ว่าเมื่อท่านเป็นพระบวชใหม่ในวันหนึ่งไปบิณฑบาตนางิริมาวันนั้นปรากฏว่านางิริมาป่วย ทั้งทั้งที่ป่วยและเป็นหญิงโสเพณีแต่ <c oughs> นางสิริมานี้ตามประวัติถึงกล่าวว่าเป็นน้องสาวของหมออาชีวกุมารพัฒน์ว่าทั้งกันโดยตระกูลแล้วนางก็มีตระกูลไม่ตำ่ำแต่ถ้าว่าเป็นกฎของกรรมที่ไปกล่าวติเตียนนางพิสุณีซึ่งเป็นพระรหรันต์ ว่าอีหญิงแพศยาคนไหนนะบ่นน้ำหมากให้ละอองน้ำหมากมาเพื่อนเรามาเพื่อนผากของเราแต่ความจริงละอองน้ำหมากมาเพื่อนนิดเดียวนี่ถอยหลังไปกี่ชาตก็ไม่ทราบกรรมอันนั้นเป็นปัจจัยบันดาลให้นางเกิดมาในชาติหลังต้องไปหญิงโสเพณีนี่เพร่อไปด่านามพิษุนีเข้า เมื่อนางเป็นพิศิสนีมีเขาโทษนางเป็นโสเภณีแล้วก็มีรูปงามทาั้ ง, งที่นางป่วยไข้ไม่สบายในวันนั้นเมื่อพระบทใหม่ไปบิณธบาตกับพระเก่านางถึงแม้ว่าจะเป็นหญิงโสเภณีแต่ว่านางก็มีคนรับใช้เพราะร่ำรวยมากจิงให้คนรับใช้ถือภาชนะอาหาร มาถวายแกพระที่ไปวินทบาทนางยืนใส่บาทด้วยการทรงตัวไม่สู้จะดีนักได <c oughs> ้ว่าขึ้นชื่อว่าคนสวยถึงแมาว่าจะป่วยก็ยังสวยนั่นแหละให้มอพระใหม่องค์นั้นเห็นนางเสด็ิมาเข้าก็เกิดความรักกลับมาวัดไม่เป็นองกินไม่เป็นนอน ข้าวปลาไม่กินขุนคิดแตด่ทิ้งแต่นางสิดิมาปล่อยให้ข้าวบดอยู่ในบาตจก็ะทั่งแห้งความจริงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงทราบเพราะอยู่ในสนักของพระองค์อยู่ที่ไหนพระองค์ก็ทราบแต่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้เคยว่าอะไรลอยเฉยๆทำเสมือนไม่รู้ ต่อมาเวลาผ่านไปไปสองสามวันนางสิฎิมาวันนั้นที่พระเห็นเธอป่วยมากแล้วก็ปรากฏว่านางสิฎิมาตายพระเจ้าพิมีสารยินกราบทูลให้องค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศัติ์สันดาทราบว่าพันตีพะควาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเดียวค่ เวลานี้นางศิริมาตายเสียแล้วองค์สมเด็จพระบพทีรแก้วจะให้ทำเป็นประการใดสมเด็จพระจอมไตรบรมสาสันดาจึนทรงตัดว่าเก็บศพนางศิริมาไว้ก่อนปล่อยไว้ตามสภาพปกติคือว่าจะย่าทำการป้องกันไม่ให้หนาปล่อยไปตามธรรมดา ความจริงพี่ชายถ้าเป็นหมอใหญ่อาจจะป้องกันน้องสาวไม่ให้เน่าคนได้ะนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตร ย, ยสั่งไปอย่างนั้นขันเมนต์นาซิมาเน่าขึ้นอืด น, น้ำเหลืองไหลตาปลิ้นลิ้นจุก <c oughs> น้ำเหลืองเดือดปุดปุ ด, ปดออกทาปากพระเจ้าวิภสายก็กราบทูลองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคยาวยาทรงทราบ สมเด็จพระพุทมีพระผ้าเจ้าจึงได้มีพระพุทธบัญชาให้พระเจ้าพิมพิสารนำศพนางสิริมาไปที่พลานหลวงวางไว้บนเตียงโดยไม่มีอะไรปิดแล้วสมเด็จพระธรรมส า, ามิตรจึงได้มีพระพุทธบัญชาแต่แก่พระอา น, นุนว่านันทาดูก่อนอนนุนวันนี้เราจะไปเยี่ยมนางสิฎิมา เธอจงประกาศพระว่าใครจะไปกัตถาคตบ้างก็ไปได้เมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมสาสดาส ม, สมเด็จพระทุกองก็ไปสำหรับพระองค์ที่หลงลักนางสิริมาดูนั้นดีใจมากเพราะที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจะพาไปเ ห, ห็นนางสิริมา ไอ้ข้าวที่แห้งอยู่ในบาดก็ลุกขึ้นล้างบาดเช็ดบาดมีกำลังบังชาดีโมสบงไอ้นุ่งสบงสองทรงจีวรด้วยดีแล้วก็ตามองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วไปขั้นไปถึงบรรลันหลวงบรรดาประชาชนนั้นหลายทราบว่าพระมหากษัตริย์จ ะ, สะเสด็จแองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมรพระเดชสาวกทั้งหมดจะไปที่นั่น ยังได้พากันมาออยู่ที่พระรานหลวงเมื่อมาอออยู่ที่นั่นแล้วข้าไปถึงองค์สมเด็จพระประทีบแก้วจุนส ม, มีรับสั่งพระพุทธมัญชาให้พระเจ้าพิมีสารประ ก, กาศจะบรรดาคนทั้งหลายว่าใครต้องการนางสิริมาบ้างถ้าใครต้องการก็จะยกให้แต่ว่าเอาเงินมาหนึ่งพันหนึ่งพันกหามานะณะ ในครั้งก่อนๆ น, นั่นเช่าไปหนึ่งคืนต้องเสียพันกะหาบนะแต่ว่าคราวนี้ไม่ต้องเช่ายกให้เลยแต่ว่าเอาเงินกะหาบนะเท่านั้นคนทั้งสนามหลงเงียบจะมีใครเขาต้องการนั้นเน่าอืดแบบนั้นไม่อืดอย่างเดียวน้ำเหลืองไหลตาปิ้นลิ้นจกุก เมื่อบุนคคลนั้งหลายเงียบไม่มีใครแสดงความต้องการสมเด็จพระวิชิตามารก็ทรงตัดต่อไปให้พระเจาเ้าพิมพิสารประกาศว่าใครต้องการสิริมาบ้างเราให้จะยกให้เปล่าๆให้เป็นสมบัติของท่านคนทุกคนก็ไม่มีใครต้องการต่อมาองค์สมเด็จพระวิชิตามารนได้ทรงตัริวาระหนึ่ง ให้พระเจ้าพิมพิสารประกาศเพื่อใครต้องการนางสิฎิมาบ้างจะยกศพของนางให้เป็นสมบัติของท่านแล้วมอบเงินให้พันกหาปณะนะก็ไม่มีใครต้องการอีกตอนนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้แสดงอสุปสัญญยาให้แก่บรรดาพระและบรรดาประชาชนทนหลายทราบ ว่าขึ้นชื่อว่าขันห้าที่ประกอบวัตถาสี 4. แบ่งเป็นอาการสามสิบสองมีผมขนเล็บฟันหนังเมือตับไตไส้ปอดเป็นต้นที่เดยกว่าอยู่ในร่างกายของคนนี้มันไม่มีอะไรจีรังย่างยืนและก็ไม่เป็นของถาววรร่างกายนี้มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเรา มันรวมเข้ามาเป็นเส้นกายของธาตุสี่คือมีธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟแล้วแบ่งออกไปแว่การสามสิบสองคือแบ่งเป็น32ิบสองชิ้น้ดยกันภายในประกอบขึ้นมาเป็นกายสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีความสวยสดงดงามถึงแม้ว่ามีชีวิตอยู่ก็ไม่งาม เมื่อตายไปแล้วก็หาความงามอะไรไม่ได้ทางนี้พาอไรดูตัวอย่างนางสิฎิมาเป็นสาคัญองสมเด็จพระพักวันทรงชี้ให้เห็นว่าดูตัวอย่างนางสิริมานี่สมัยเมื่อนางสิฎิมายังมีชีวิตอยู่เธอเป็นที่รักขมรนดาประชาชนทั้งหลาย เพราะสายมองผิวกายเป็นสําคัญมองสวดทรงเป็นสําคัญเวลานั้นร่างกายยังสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ไธาตุสี่เพรว่าธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟยังประชมพร้อมกันธาตุดินเมื่อทรงจะทรงตัวอยู่ได้ก็ต้องอาศัยธาตุน้ําเป็นเครื่องประครับประคอง แต่ว่าขบวนธาตุน้ํามาเป็นอับอาบ อ, อ, อยู่ในร่างกายถ้ามากการเกินไปธาตุดินก็ละลายฉะนั้นจึงจะต้องมีธาตุไฟสร้างความอบอุ่นสร้างกําลังของธาตุดินให้มีความพอดีกับธาตุน้ําจึงจะสามารถทรงตัวอยู่ได้แต่ไฟที่จะทรงอยู่ได้ที่ใดที่นั้นต้องมีลม เหตุท้สี่เรืร่องนี้จะห่างกันไม่ได้จะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้เมื่อการธาตุอย่างหนึ่งอย่างใดคลายความสมบูรณ์บริบูรณ์นั่นก็หมายความว่าถ้าธาตุใดธาตุหนึ่งบกพร่องลงไปขนานั้นร่างกายของเราก็ชื่อว่ามีโรคในเวลานี้ร่างกายข้าวนาซีดีมา สิ่งที่มีความสำคัญที่สุดในร่างกายนั่นก็คือจิตหรือว่าทิศสมดกายที่สิงอยู่ในร่างกายเขนานงสิริมาออกไปจากร่างเสร็จแล้วหมดผู้ควบคุมธาตุสี่นี้จะทรงอยู่ได้ดีก็ใส้ผู้ควบคุมคือจิตเวลานี้จิตเขนานำสิริมาเคลื่อนออกจากร่างเมื่อธาตุสีไม่มีผู้ควบคุม ธาตุแรกที่สุดที่ต้องสลายไปนั่นก็คือธาตุลมเมื่อธาตุลมหมดสิ้นลมปราณแล้วกายก็หมดการเคลื่อนไหวต่อมาธาตุไฟก็ดับเจนเนียกว่าเมื่อสิ้นลมปราณแล้วคนเราถ้าตายคนคนดีใส่คนดีเมื่อชีวิตดินสีเที่ยงทรงอยู่ร่างกายจะมีความอบอุ่น ท่านไฟยังส่งท่านน้ํายังส่งท่านลมยังส่งท่านดินก็ส่งเมื่อสิ้นชีวิตดินรียท่านลมอดหมดไปท่านไฟก็ดับตอนนี้ร่างกายของคนตายถ้าเราจะไปจับมันจะเย็นเฉียบเมื่อท่านไฟหมดไปท่านลมหมดไปเหลือแต่ท่านดินกับท่านน้ําไม่มีท่านไฟประคับประคองดินน้ําก็ละลายดิน สิ่งที่เราเห็นอยู่เวลานี้มีน้าเลือดน้ําเหลืองน้ำหนองเป็นต้นส่งกลิ่นเหม็นทรุ่งตะกรอนกระจรไปสิ่งทงหลายหลายเรื่านี้ที่จัดวเป็นเครื่องโสโครกไม่ได้มาจากไหนไม่ใช่มาใหม่เมื่อคนตายแล้วคือเป็นของเก่าของนางสิริมาที่มีอยู่ในร่างกาย เมื่อชีวิตตินสีย่ยางทรงอยู่นั้นอวัยวะต่างๆยังทำงานยังปกปิดไว้ธาตุทั้งสี่ยังประคับประคองยังสามะขีกันเวลานี้ธาตุลมและธาตุไฟสลายไปแล้วธาตุน้ำก็ละลายดินดินทนไม่ไหวก็ละลายตัวอันดับแรกก็อ่อนตัวลงทีละน้อยละน้อยจนทั้งทีงละลาย สิ่งโสโครทั้งหลายไม่มีใครบังคับอวัยวะต่างๆไม่มีกำลังปกปิดก็หลั่งไหลออกมาองสมเด็จพระบรมศาสดาจึงสมเด็จว่าพิกวีดูกรพิสุทธิ์หลายพวกเธอทั้งหลายจงจะหลงในรูปกายของตนเองแล้วก็จงอย่าหลงในรูปกายของบุคคลอื่น ว่ามันเป็นของสวยสดงงามเป็นของมีความจรั ง, ย, งยั่งยืนที่ไลอดการตลอดสมัยเนื้อแท้จริงๆรูปกายของคนดูตัวอย่างนางสิริมาเป็นหญิงที่มีค่าที่สุดในสมัยนั้นมีรายได้คืนละหนึ่งพันกะหาวนะเท่ากับสี่พันบาทวันเหลียวนี้ก็เห็นที่เป็นราคาแสนบาทต่อหนึ่งคืน ในเวลานี้ความปรารถนาในการชุ่มชื่นและต้องการในนางศิริมาสําหรับกฎบุคคลใดไม่มีแล้วเพราะอะไรเพระว่โรมปรานสิ้นไปธาตุไฟหายไปจิตใจที่สิงสถิตในร่างกายข้านางศิริมาก็เคลื่อนไปแล้วตามกฎของกรรมแต่ตามส่วนตามพระบาลีส่วนหนึ่งถึงกล่าวว่านางศิริมานี่เป็น ถึงแม้ว่าจะเป็นหญิงโสพเพณีแต่เธอก็เป็นประโสดาบันท่านนั้นหลายถ้าฟังตรงนี้แนละ้วก็ลองคิดดูนะว่าหญิงโสพเพณีนี่จะเป็นประโสดาบันได้ยังไงเยี่ยลืมว่าประโสดาบันเนี่มีความมั่นคงคือเคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆเคารพในวัฒนธรรมจริง คารบในพระอริยสงฆ์จริงมีศินห้าบริสุทธิ์มีพระนิพพานเป็นอารมณ์มีความรู้สึกนึกจิตเสมอว่าเราจะตายมีกําลังใจเขมันนางแอร์เขม า, าโสดาบันมีเท่านี้เจียวว่ากันไปทีก็โศดาบันมีความมั่นในพระพุทธเจ้ามีความมั่นในพระธรรมมีความมั่นในประสงค์มีสินห้าเป็นสมุติเฉด คำว่าสมุทเทจะมีความมั่นคงในจิตแท้พระโสดาบันยังมีการแต่งงานยังมีลูกจะมีผัวยังมีเมียยังมีสามีพัญญาพระโสดาบันยังมีความอยากรวยพระโสดาบันยังมีความโกรธพระโสดาบันก็ยังมีความหลงแต่ถ้าว่าอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้มีในคออยู่ในขอบเขตของศีล ถ้าเราจะคิดว่าหญิงโสเภณีเป็นเป็นพระโสดาบันไม่ได้มันก็ผิดถ้าเขาเป็นในการสุดเจตการเช่าเข้าไปเขาเขาไม่ได้คดไม่ได้โกงเพรตกหลงราคาซึ่งกันและกันสินค้าของเขาก็ไม่มีการจะขาดเขาไม่ได้ไปฆ่าใครเขาไม่ได้ไปขโมยใค ร, ลใครและหลอกลวงใคร เขาไม่ได้ไปแย่งสา ม, มีของใครเขาถือว่าเขาเป็นสินค้าประเภทหนึ่งชั่วคราวเขาไม่ได้โกโหกหมทเท็์ว่าเขาไม่ได้หญิงไปไม่ได้เป็นหญิงโสเพณีเขาไม่ได้ดื่มสุราเมีไรเราจะเอาคำว่าเสียตรงไหนมากล่าวกับหญิงโสเพณีถ้าปฏิบัติได้ความบริสุทธิ์เป็นอันวุบันาง สิริมาเทาก็มีลักษณะอยู่ในเกณฑ์นี้องค์สมเด็จพระจนิจนสีอยู่ในทรงรับรองว่า น, นางเป็นพระสนดาบันถ้าได้ว่าเวลานี้ค่าของนางไม่มีบเมื่อก่อนนี้ยกให้ปห เ, เป็นหนึ่งคืนเสียเพียงหนึ่งพันกหาวันะเวลานี้ยกให้เป็นสมบัติเลยเอาพันกหาวันะก็ไม่ไม่มีคนอยากได้ยกให้เปล่าเปล่าก็ไม่ต้องการ ยกให้ล้วแถมเงิอนอีกพันกะหาวันละก็ไม่มีใครปรารถนาสมเด็จพระบรมศาสดาเจติชีว่าร่างกายของนางสิธิมาก็ดีร่างกายของเราเองก็ดีร่างกายของคนทุกคนและสัตว์ทั้งหมดในโลกก็ดีมีสภาพเหมือนกันเมื่อมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้น ก็มีความทุกข์ทรมานความเสื่อมโทรมติดตามมาและในที่สุดก็พังอย่างนี้แล้วความไม่สะอาดความโสกปลกเป็นสิ่งที่น่าเกลียดสังหลายเหล่านี้มีอยู่ในร่างกายเป็นปกติแต่ว่าอาศัยมีจิตบังคับร่างกายอวัยวะภายในร่างกายทํางานทุกอย่างถ้าวานจึงปิดบังไว้ ถ้าปราศจากจิตวิญญาณมารา่ความโซกโปกทั้งหลายโซโคทั้งหลายทั้งหมดนี้ก็จะปรากฏขึ้นแก่ตนและองค์สมเด็จพระทศพลยินได้ตัดว่าดูก่อนพิสุดท์ทังหลายเธอทั้งหลายจงดูนาสิิมาเป็นตัวอย่างเมื่อสมัยที่เธอมีชีวิตเธอเป็นคนสวยแต่เวลานี้เธอตายไปแลป้วเพียงสามวัน มีค่าตรงไหนบ้างมีใครปรารถนาบ้างเธอทั้งหลายจงพิจารณาร่างกายของนางสิริมาว่าตรงไหนบ้างมันสวยมีจุดไหนบ้างที่เราปรารถนาเรามีความต้องการพระองค์สมเด็จพระวิชิตมารจัดอย่างนี้คนอื่นก็เงียบพระองค์ที่รักนางสิริมาก็สลดใจ พระองหนอเราเห็นนางสิริมาสวยสดงงามก็ใค่ใคร่แต่เวลานี้นางศิริมาเป็นมีรูปร่างหน้าดังเกียดที่สุดและไม่เป็นจุดที่ความปรารถนาของเราเลยเมื่อพระองค์นั้นพิจารณาไปตามกระแสพรวัฏธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกถึงร่างกายของนางศิริมานึกถึงภาพของนางศิริมาที่ยังมีชีวิต แล้วมาพิจารณาดูนาสิธมาขนาดนี้ต่างกันมากแกแสวว่าสัทธมเทศนาเขาองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคที่ตรงทุกอย่างเมื่อพระอนั้นเกิดศรัทธาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงตรัสต่อไปว่าภิกขเวดูก่อนพิสุทธิ์หลร่างกายของเราคนดีร่างกายเขาคนอื่นก็ดี นอกจา ก, กว่ามันจะสุขประกบก็แล้วมันก็ไม่มีสภาวะเป็นเราเป็นของเราทั้งนี้เพราะอะไรเพรร่างกายเป็นกฎธรรมดา ย, ย่างหนึ่งที่มันมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นมีความแปรปรวนไปในด้านกลางมีการแตกสลายในที่สุดที่เรียกกันว่าเมื่อมีเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องมีความแก่เป็นธรรมดาม่สามารถจะล่วงพ้นความแก่ไปได้ ต้องมีความป่วยไข้เป็นธรรมดาไม่สามารถจะร่วงพ้นความป่วยไข้ไปได้และก็มีความตายเป็นธรรมดาไม่สามารถจะรลวพ้น ค, ความตายไปได้ทรัพย์สินทั้งหลายที่เรามีอยู่สิ่งที่รักอยู่ก็ต้องพัดพ่ายจากกันไปทรัพย์ทั้งหลายที่นาสิริมาหามันได้จงกระทั่งมีตําแหน่งใครมหาเศรษฐี แต่ถ้าว่าเป็นเวลานี้นางสิริมาไม่มีสิทธิปกป้องปกครองสมบัติทั้งหลายเหล่านั้นแม้จะร่างกายเป็นที่รักของนางสิริมายิ่งกว่าสิ่งใดทั้งหมดก็ไม่ปรากฏว่านางีิริมานําไปได้ขอบันดาลพิสุสมทั้งหลายจงอย่าเมาในกายของตนจงอย่าเมาในกายของบุคคลอื่นคือจงอย่าประทานนาตน จงมีความรู้สึกว่าร่างกายที่เราอาศัยอยู่นี้ม่ต้อเป็ น, นเพียงเรือนร่างที่อาศัยโชคเราในที่สุดสภาวะร่างกายของเราก็จะเหมือนนางสิมาแม้แต่ร่างกายเขาบมอกอื่นคนอื่นที่ยืนล้อมอยู่นี่ทั้งหมดก็จะต้องมีความปรากฏเช่นเดียวกันฉะนั้นขอเธอทั้งหลายทั้งหมดนั้นจงอย่าสนใจในร่างกายของเราด้วย อย่าสนใจในร่างกายของบุคคลอื่นด้วยแล้วก็อย่าสนใจในวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกด้วยเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ได้ช่วยให้เราเป็นสุขไม่ได้เป็นสมบัติอันจรรังยัง่งยืนอะไรของเราไม่ช้าเราก็จากไปถ้าจิตใจของเรายั ง, ลงหลงไหลฝ่ฝันอยู่ในร่างกายเราก็ดีในร่างกายของบุคคลอื่ น, น, กาาอนก็ดีในวัตถุวัตถุธาตุทั้งหลายอื่นใดก็ดี ในที่สุดนี้เราก็จะต้องไม่พ้นทุก์จะต้องเวียนว่ายตายเกิดมันประสบกับความทุกข์อย่างนี้อีกถ้าเราวางภาระคือไม่ต้องการจิตไม่ติดอยู่ในร่างกายเราก็ดีจิตไม่ติดอยูในร่างกายเข า, าเก็คนอื่นคนดีไม่ติดอยู่ในวัตถุธาตุใดใดอื่นคนดีเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ปกติก็มีความสุขสรบ แต่ในที่สุดเมื่ถึงเวลาสลายตัวก็จะต้องปรากฏกับสภาวะเป็ญญนอย่างนี้ข้นานะองค์สมเด็จไปชินาสีบรมศาสนดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศจกความจริงเทศมากกว่า น, นี้พระองค์นั้นก็ได้บรรลุอรหัตผลเป็นพระอริยะบุคคลสงูงสุดในพระพุทธศาสนา รวมทั้งคนที่มาหอมร้อมดูองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลานั้นก็มีสภาพเดียวกันต่างคนต่างก็เป็นบสุนดาสีทาคาอนาคาอรหันเป็นจำนวนมากนี่แหละบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเรื่องการพิจารณาศพือสะสุปสัญญาสำหรับในวันนี้นำบุคคลตัวอย่างมาเล่าสู่กันฟัง เพราะการปฏิบัตินี้ต้องอาศัยเรียนแบบถ้าเราปฏิบัติโดยการไม่ลอกแบบมันก็เอาดีอะไรไม่ได้เพราะว่าท่านัหลายฟังไปแล้วก็คิดไปพิจารณาไปเขียนว่าร่างกายของคนทุกคนมันมีแต่ความสกปรกโสมมหาความดีอะไรไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งอวัยวะบางส่วนที่มันหลัง คือว่าส่วนบางส่วนที่มันหลั่งไหลมาจากร่างกายชิ้นอุจาระปัสาวะน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำเสลต์น้ำลายเป็นต้นมันอยู่ในร่างกายของคนที่เรารักถ้ า, ามีความรักคนประเภทนี้ก็ชื่อว่าเรารักถุงอุจาระเคลื่อนที่นั่นเองอรบรรดาท่านหลายสําหรับวันนี้ก็ขอยุติว่าจะเปี่ยนท่า น, นี้เพราะเวลาหมดแล้ว ต่อแต่นี้ไปพระมันดาสาวกขององค์สมเด็จพระบาททีกแก้วจึงพาการดำรงอริยาบทตามอัติยาสัยใจะใช้คำภาวนาและพิจารณาอย่างไรก็ได้ตามอัติยาสัยของท่านจริงกว่าเห็นว่าเวลานั้นเป็นการที่สงควรจะเวลาสวัสดี